สะกอาธาคามีมรกนี่ก็เป็นมรกที่ยิ่งไปนะสมมติว่าเป็นมนุษย์เนี่ยปฏิสนธิตัดออกไปอีกหกปฏิสนธิเลยนะดีขนาดไหนใช่ไหมปฏิสนธิในครรมเนี่ยเอาออกไปหกเลยก็เหลือกลับมากินน้ําครัมอยู่ข้างเดียวเนี่ยแต่ว่านะอาจจะเลือกเอาหนึ่งถึงสี่ก็ได้ใช่ไหมอาจจะเลือกเอาข้ออื่นๆก็ได้นะหนึ่งถึงสองสามไม่ขอขอปริญญิพานในเทวโลกเลยก็ได้ขอปริญญิพาน เ, เช่น เป็นมนุษย์แล้วให้มันบรรลุพ้นในในภพนี้ไปเลย น, น, นะหรือว่าหรือไม่ถ้าเป็นเทวดาแล้วขอมาบรรลุเป็นผ้าหันในมนุษย์เอางนะั้นถ้าไม่ใช่สมัยพุทธกาลนี่ไม่ขอเลือกเลยนยถ้าไม่ใช่สมัยพุทธกาลนี่ไม่ขอเลือกเลยนะ ใ, ยนยนะใครจะเลือกสงฆอมนุษย์ยุคต่อไปก็เอานะไม่ไม่ไม่ว่าอะไร น, น, นะนะอนุโมทนาด้วยแต่ว่าอย่าชวนกันเน้อ อ้าวไม่สงสารรุ่นเลนรุ่นอะไรไยบ้างนะลงมาสงข้อก็บ้างนา <c oughs> คุณตีดาวไหมลงมาสงข้อลูกเลนเลนหล่นอะไรยุคข้างหน้าต่อไปอีกมาพอล ะ, ออละเอามาเนี่ยปมาศึกษาปรตาัตยไปตกให้แตกชานแล้วก็เล่าให้ก็ฟังอนะเผื่อเขาจะเชื่อบ้ง <c oughs> เป็นาาพารยามิคอให้เขาไหว้ก็ยังดีนะมารับบุญของเขาหน่อย รุ่นปู่รุ่นย่ายังยากเลยนะ่านว่าไงถา่าอนาคามเีเหตุใดถึงจะต้องไปอยู่ อ, อยู่มันก็นไม่แน่นอนแลอะไรที่ห่วงมีอยู่ท่านไว้เเ่าว่าอนาคามีเนี่ยนะท่านติดในชานท่านไม่ได้ติดอะไรที่ต่ากว่าชานนี่ท่านไม่ติดหรอกท่านติดแต่ชานอย่างเดียวอย่างเดียวก็คือชานเนี่ยมันเทียบกับสุกในเนี่ยถ้าทั่วๆไปอย่างที่คุณบุญชูว่านั่นแหละ คือยกพระเจ้าปกติสาเตียนะพอท่านได้ฌานนั้นท่านเลิกครองราชเลยไรหาพระพุทธเจ้าดีกว่าถ้าได้ฌานนั้นนะปกติผู้ที่ได้ฌานแล้วจะโดยมากแต่ยิ่งระดับฌานสี่แล้วอ่ะไม่ขอเป็นแม้กระทั่งพระราชาเลยนะก็คือความสุขของฌานเนี่ยมากมากจริงจริงแล้วก็ถ้าฌานไม่เสื่อมยังไงก็พรหมโลกเขาไหมอนันตริยกรรมด้วยนะฌานเนี่ยถ้าถ้าไม่เสื่อมนะแต่ถ้าเสื่อมก็ไม่อนันติยกรรมไม่แน่ละ ว่าอาจย์กคือสยว่าที่ด้โสดานี่ต้องปฏิบัติตามานรู้ว่ายานยานสานคือยานตัวยานเนี่ยเป็นชื่อของวิปัสสนายานเป็นชื่อของวิปัสสนาชานเป็นชื่อของสมถะซึ่งทั้งสมถะวิปัสสนาก็ต้องควบคู่กันไป ก, ก็อยู่ในยานสิบหกอะนะแต่ว่าทั่วทวไปนะถ้าอย่างในพุทธพจน์เนี่ยจะไม่ค่อยแยกถึงยานสิบหกแยกสามเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายคลายกําหนัดนะย่อมมาแค่เหลือสามเท่านั้นเองนะถ้าชอบแบบ ง, ง่ายๆก็เนี้ยเอาสามแบบพุทธพจน์ก็ได้รู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนัดนะเอาสามไหมชานสี่ คืปกติเนี่ยสมถาวิปัสสนาควรเจริญควบคู่กันไปไม่ต้องถ้าสมมติณ่าเราไม่มีโอกาสสมมติชาตินี้ไม่รู้เกิดมาติเหตุหรือทวิเหตุก็ไม่รู้อุปนิสัยได้ฌานมีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้าเราตั้งไว้ชั้นต้องได้ฌานจึงจะเอาวิปัสสนาทําไม่ได้ไม่สนใจเลยนะก็อาจจะไม่ได้เจริญวิปัสสนาทั้งชาติก็ได้เพราะไม่รู้จะได้ฌานหรือเปล่ามัวแต่เพลิดเพลินกับกามอยู่อย่างไงก็ไม่ได้ฌานอยู่แล้วอย่างนี้นะ ซึ่งก็วควรไม่ควรเลือกอะนะพร้อมที่เจริญวิปัสสนาก่อเจริญไปเถอะถัดโอกาสเหมาะเวลาเหมาะเจริญสามาทำก็เจริญไปเลยให้จิตเป็นกุศลเอาไว้นะให้ใ ห, ให้อย่างนั้นแต่ว่ายังไงยังไงอะ่ะควรฝึกเจริญวิปัสสนาให้ไหว้ให้มากอย่างอื่นเจริญไม่ได้มากไม่เป็นไรก็เป็นพระโสดาบันไปแล้วถ้าตามสูตรนะตามคําเนี่ยตาพูดตามคําก <c oughs> ็ค <c oughs> ือเป็นพระโสดาบันไปเรียบร้อยแล้วไหย ร้อที่16คือปัจเวคขณะยานเนี่ยนะถ้าว่าตามแบบที่เขานิยมเรียกกัน่ะนะย่าน16ยานนั้นยานนี้แต่ในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านจะพระองค์เนี่ยจะชอบชอบใ้อยู่สาคำอ่ะนะเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงก็เบื่อนายเมื่อเบื่อนายก็คลายกำหนัดเนี่ยนะเขาเรียกว่าจับสามคำนี่มาชอบดีนี่นะมาไล่ลำดับยานค่อนข้างหูเหยอะแยะไปหมดเลยแบบคร่าวๆนะเนี่ยสามตำแหน่งเนี่ยเบาดี ส่วนพระนาคามีนะแปลว่าไม่มาสู่กรรมมาธาตุนี้ด้วยอํานาจปฏิสนธิเนี่ยนะไม่ไม่ต้องปฏิสนธิในมนุษย์และเทวดาไม่ปฏิสนธิในกรารมมาธาตุเพราะว่าคือพระนาคามีเนี่ยนะกรารมาราคานุสัยท่านละเด็ดขาดหมดละนั้นท่านจึงไม่เพลิดเพลินในวัตถุกรรมด้วยเลร็ด ก, กิเลสกรรมทั่วๆไปเนี่ยเด็ดขาด ท่านท่านก็ตัดฉันนราคาในกาหมดแต่ก็ยังยินดีในการเข้าฌานเนี่ยนะขอให้มันติดขนาดนั้นเถอะคุณวิลาวันเนี่ยนะมันเหมือนอะไรเหมือนกับปกตินะพื้นฐานเป็นนักพนันมากเลยนะติดการพนันงอมแงมหรือติดยาบ้างงอมเลยแล้วมันเลิกแต่ว่ามาติดอ่านหนังสือประไตยวิโดกแทนเนี่ยไหนดีกันโอ้นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละนะถ้าแปลทั่ ว, ท, วทั่วไปะนะขอให้มันติดฌานเถอะไม่ได้แบบไปติดเนี่ย เลยเลยไม่สนใจเลยเนะียเสี่ยวนน ค, คือของเรานะีอยู่ในคําสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนฌานในฐานะเป็นบาตรของวิปัสนาเอ้าเราอย่าไปเอาอาจารย์อุทกาดาบทสิเราก็เอาพระพุทธเจ้าท่านว่าไงเราก็ว่าตามท่านน่ะเราก็คิดไปคิดมาจะเอาอุทกาดาบทมาเป็นศาสดาอีกแล้วก็ไม่ใช่อะ่ะพระพุทธเจ้าสอนฌานในฐานะให้เป็นบาตรของวิปัสนาในฐานะนิวนจะได้ไม่กลุ่มรุม อ๋นะถ้าเปรียบเทียบนะการมาฉันท่านิวร์เหมือนคนมินี่อ๋นะการมาฉันท่านิวร์เหมือนคนนี้สิลท่วมหัวหเลยงั้นเถอะพยาปาท่านิวร์เหมือนคนเป็นไข้ป่วยเยียวยาวไม่ขึ้นอ่ะนะป่วยมากอะ่ะคนป่วยที่น่าการุณามากทีหน้ามิท่านิวร์เหมือนคนเข้าคุกอะ่ะอุทะักกุกุจานิวร์เหมือนทาตวิจิกิจฉ า, านิวร์เหมือนทางกันดานอ่ะนะเหมือนทางสองเพล่งที่โจรเต็มไปหมดเลยอะ่ะ ที่ละนิ่วอนได้เหมือนกับหมดปลอดภัยห้าอย่างนั้นน่ะนะแล้วมาทํากิจในการเจริญนิพพานาใครดี ก, กันเอาธถ้านี้อคนได้ฌานวิเศษจนอย่างน้อยที่สุดนะจุติพรหมโลกก่อนเอาเป็นเรียกว่าเนี่ยเป็นอุปชาเวทนิยกรรมแน่นอนเลยนะปฏิสนธิในพรหมโลกอนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพรหมแล้วเนี่ยนะอย่างน้อยก็กลับมาเป็นเทวดาหรือมนุษย์จะไปอาบายเลยไม่ได้ต้อง แต่สําคัญเนี่ยก็คือแหมกลัวชาดแต่ว่าไม่กลัวอกุสนนี่ไนะมันเคือถ้าอย่างงี้นะวิปลาดมากเลยนะถ้าว่าให้ตรงเลยนะถ้าแหมรัางตุ่มฉานนี่มันน่ากลัวถ้าอกุศลมันน่ากลัวนะของมาจะเห็นด้วยแต่ถ้าชาดน่ากลัวนี่ไม่เห็นด้วยโดยประการทั้งปวงถ้าเห็นว่าโอเนี่ยนะเป็นไปได้นะถ้าเนี่ยเห็นเห็นรูปแล้วถือโดยนิมิตพรอนุพยัญชนะเป็นไปได้นะถ้าเราจุติตรงนี้อบายก็หวังได้ถ้าอย่างนี้เข้าท่า แต่ถ้าไปเห็นว่าหงชานเดี๋ยวกลัวไปติดชานเนี่ยนะก็พูดเหมือนกับว่าเออเนี่ยนะฉันจะไปอยากร่ำอยากรวยเลยเดี๋ยวติดในความร่ำรวยอีกขอทานกินดีกว่าเหมือนกันเลยนะอย่าว่ามากเดี๋ยวห้มาจะว่าพาว่ามากเอพูดถึงอัรหัตามาร์กบ้างนะว่า บุคคลใด ย, ย่อมควรซึ่งการบูชาพิเศษเพราะเป็นพระทักขินายะบุคคลผู้เลิศเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าพระอรหันต์อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าพระอรหันต์พระอถิว่ากําจัดฆาสึกคือกิเลสหรือทําลายกรรมแห่งสังสารจักรคือกิเลส น, นะค่ะว่าพระอรหันต์นะหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรนนก็อรหันต์ห้าในใช่ไหมที่เราเคยเรียนกันอั น, นหนึ่ง น, นะทำลายฆาสึกคือกิเลสด้วย อริยมรรคไกลจากกิเลสด้วยอริยมรรคเนี่ยนะเป็นผู้ที่ไม่มีความลับในการกระทําบาปเป็นนาบุญของโลกนะเป็นผู้ควรแก่สักการะจริงๆเนี่ยนะอันนี้หมายถึงพระอารยะบุคคลที่แปดนะหนึ่งนับพระโสดาปติมรรคนับหนึ่งโสดาปติผลนับสองสากท า, าคามีมรรคนับสามอานะัสากท า, าคามีผลนับสี่ยก็ไล่ไปอันผ้าหันเนี่ยนับเป็นบุคคลที่แปดเนี่ยนะระดับแปดเลยนะสูงมากนะ ภาวะแห่งพระอรหันต์นั้นชื่อว่าพระอรหัตคําว่าอรหัตตังนี้เป็นชื่อแห่งผลที่สีนะ่ระดับอรหัตตผลนะมักที่เป็นเหตุมาแห่งผลนั้นมักเนี่ยเป็นเหตุนะผลเนี่ยเป็นผลละชื่อว่าอรหัตตะมักจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอรหัตตะมักนั้นชื่อว่าอรหัตตมักกจิตป็ไหนนะแปดเ ส่วนรองจะให้เอาอันไหน่นะเขาจะแบ่งเป็นมัค ก, กับผลมัคเนี่ยจะมีองค์แปดใช่ไหมหนึ่งองค์ที่หนึ่งถ้าเป็นเขียนลงลวงเนี่งหนึ่ ง, งสองสามสี่จริงจริงแล้วเจตสิกที่อยู่ในมัคอ่ยนะมีเยอะ แต่ว่ายกแต่ที่เด่นๆอ่ะที่ทํากิจละกิเลสมา8ปดมัดตัวเนี้ยทากิจละกิเลสทั้ง8ส่วนที่เหลือไม่ได้ตัวทํากิจละกิเลสจึงไม่พูดแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงในแง่ของช่วยสนับสนุนให้บรรลุธรรมเรียกว่าโพธิปัฏยธรรมอันนะเรียก37เเลยเรียกว่าช่วยให้ตรัสรู้แต่ ตัวท like ah ี่ท <ansa> ํากิจละกิเลสจริงๆมี8ปดนะหนึ่งสัมมาทิฏฐิละอะไรปกตินั่นหละมิจฉาทิฏฐิสัมมาสังกประละมิจฉาสังกปะสัมมาวาจาเป็นตัวละมิจฉาวาจาสัมมากรมมตะเป็นตัวละมิจฉาสังกรรมตะสัมมาชีวะละมิจฉาอาชีวะสัมมาวายมะละตัวมิจฉาวายมะสัมมาสติละมิจฉาสติสัมมาสมาธิละ มิจฉาสมาธิแล้วก็ซ้นะําครบแปดแล้วใช่ไหมพันองมักแปดเนี่ยเป็นตัวละกิเลสมักอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลเนี่ยนะเพราะงั้นก็เหมือนกันกับระดับมักเลยถ้าเป็นมักเป็นระดับปฐมฌานผลก็ระดับปฐมฌานเป็นอา น, นิสงส์อันนี้ชาติกุศลอันนี้ชาติผลเนี่เป็นชาติวิบาก เป็นวิบากที่เกิดมาจากมรรคถ้ากล่าวโดยสัจจะแล้วผลเป็นสัจจะวิมุตพ้นจากอริยสัจนะอริยผลนะเป็นผลของการบรรลุอริยสัจแล้วแต่ว่าเหมือนกันกันกบมรรคโดยประการทั้งปวงแต่คนลชาติเราถามว่าภาพาภาพถ่ายขนาดเท่าตัวจริงกับต่างจากตัวจริงไหมอย่างนั้นทั่วไปก็ไม่ต่างกันนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นผลของมรรคเท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วก็ขณะ ผลเนี่ยนะจะมีขณะไหนบ้างคือขณะเจริญนิปศสนาเอ้ขออภัยขณะในมรควิถีอริยผลจะเกิดอย่างที่สองคือขณะเข้าพระสมาบัติเห็นอริยผลจึงจะเกิดนะแล้วก็ถ้าสมมติว่านางวิสาขาได้มรที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นท่านนางวิสาขาสามารถเข้าพระสมาบัติได้เรื่อยๆตามที่ที่ต้องการหรือพระนรเนี่ยนะท่านไดโสดาปฏิมรอย่างน้นะ พันศาหนึ่งเลยนะท่านได้โสดาปฏิมรักและฟังธรรมจากพระปุณณมันตานีบุตรนะท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นนะท่านเข้าพระสมาบัตรคือโสดาปฏิผลของท่านอยู่สี่สิบห้าปีเออขอไปประมาณสักสี่สี่ปีเนี่ยเข้าเข้าโสดาปฏิผลอยู่4ี่สิบสี่ปีคิดดูนะหลังพระพุทธเจ้าปีนี้พ่านแล้วท่านจึงบรรลุเนี่ยนะก็ประมาณสี่สี่ปีแล้วท่านจึงบรรลุ ข้าโสดาปฏิผลเนี่ยนะท่านเข้าอยู่ทุกวันนั่นแหละถ้าว่าตามรวมๆแล้วด้วยอัธยาศัยที่ตั้งไว้ตั้งแต่อันนี้ถือว่าเป็นขุนคลังของพระธรรมโดยปกติจะเป็นแบบนี้เป็นเป็นอัธยาศัยของท่านที่ท่านต้องการแบบนี้ตั้งกับตั้งกับเป็นบําเพ็ญเป็ น, ปนบําเพ็ญบารมีแล้วมีมีความต้องการแบบนี้ ถามว่าทำไมจริงต้องการแบบนี้ถ้าท่านเป็นพระทหารปับ๊บท่านจะขวนขวายน้อยในการติดตามฟังเพื่อจะจดจําเอาไว้เพื่อที่จะเอ่อเรียกว่าขวนขวายในในกิจเนี่ยนะในในกิจความเป็นธรรมมพันธาคาริกจะอ่อนลงเนี่ยในในระยะเวลาสีปีนี่ท่านก็ไม่ได้มีความอะไรน้อย อ, อกน้อยใจหรือว่าไม่มีเกอท่นานยินดีในการเจริญกุศลอื่นๆอยู่แล้ว ยินดีในการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามีความสุขกับกับการฟังกับความรู้ความเข้าใจนะเส้นท่านฟังหนึ่งบทพุทธพจน์ตรัสหนึ่งบทคูณหกหมื่นอย่างเงี้ยเอเ น, นพอใจขนาดไหนใท่านจะมาขวนขวายจนวาระสุดท้ายที่จะทำสังฆทาน อ, อ่าขวนขวายจนขนาดนะคือตอนที่ตอนก่อนหน้านั้นนะท่านไม่ได้ตั้งวิปัสสนาเพื่อจะบรรลุมรรคท่านถามว่าท่านเจริญวิปัสสนาเจริญอะไรไหม จริญพิจารณาแต่ไม่ได้ขวนขวายเพื่อให้เกิดมรรคเนี่ยนะคงเข้าใจนะักกายที่ว่า ก, ก็มีความสุขกับการพิจารณาอย่างนี้ไปคือไม่ขวนขวายที่จะให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ะนะคืออันนี้ก็คือเป็นนับว่าความปฏิบัติ ด, ดีของท่านนะถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่ได้แต่ว่าในผู้ศาสนาจะมีหนึ่งคนที่เป็นแบบนี้ ในผู้ศาสนานะในพระพุทธเจ้าทุกองค์จะมีหนึ่งองค์ที่ทํากิจอันนี้เลยปรารถนาทำบุญมาเพื่อทํางานอันนี้โดยตรงคือพระนนเนี่ยมีความสุขกับการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าปกตินะท่านจะสมมติว่าพระพระุทธเจ้าอยู่พระคันธกตุตีเนี่ยนะพระนนเนี่ยจะเดินรอบวันละสิบแปดรอบกลางวันเก้ากลางคืนอีกเก้าเนี่ยนะแล้วก็ไม่เป็นคนที่ไม่เบื่อในการเห็นพระพุทธเจ้า อยากจะเห็นอยากจะอยากก็กกฟังพระ อ, องค์อ่ะนะพระ อ, องค์ไม่พูดแต่หาคําถามมาคิดจะถามยังไงให้พระพุทธเจ้าตอบอะไรเงยคือท่านมีความสุขกับสิ่งนี้เลยมีความสุขกับการทําแบบนี้มีความสุขเออใครมาแล้วพาไปฟังพระพุทธเจ้าท่านมีความสุขแบบนี้นะก็อันนี้ถือว่าเป็นฉันทะเฉพาะตัวถ้าเพราถ้าเรียกว่าจริงๆอ่ะฉันทะก็คือศรัทธานั่นเองท่านมีศรัทธาแบบนี้แต่ถามว่าปัญญาท่านมากไหมดูอย่านะ แล้วจำไม่มีคำว่าเลอะเลือนนะสี่สิบห้าปีไม่สาธยายก็ไม่มีลืมเห่นไหมแต่บางคนนะจำก็ใหม่ดีอะไรก็ใหม่ดีอากุศลก็เกิดมากแต่กลัวแบบเป็นแบบพระอนนท์ละเกินเ <c oughs> ชื่อไหมพระอนนท์บรรลุไปตั้งนานแล้วตัวเองก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะก็อยู่ค้างอยู่ทุกวันเนี่ยอกุศลไม่ตกต่อไป <c oughs> <c oughs> แล้วเชื่อไหมว่าพระนรนไม่มีการมาวิตกเลยตลอดสมมติว่าท่านอุปถาติดๆเลยนะ25ปีเนี่ยกามววิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกไม่เคยมีในใจท่านเลยอากุศลวิตกไม่มีเลยอะ่ะที่นู่นแล้วเข้าชานเนี่ยถ้าพระนรน น, นี่เข้าได้ชานสี่เข้าชานออกชานเป็นเรื่องธรรมดาพลาดอะไร <laughs> ของเราเนี่ยพลาดไปตั้งมากเราไม่เห็นอย่นั้น แหมอย่างกับพระโกคาริกา่งนั้นเน่เขาว่าไงว่ท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าพยากรณ์แเป็นพระอนาคามีไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกเนี่ยท่านไม่ดูความผิดของตัวเองบ้างเลยนะอย่าไปว่างั้นเนอะไม่ดีก็อะไรคือท่านไม่ช้าอะไรหรอกเพราะท่านันรู้ไปตั้งเท่าไหร่แล้วสองพันกว่าปีมาแล้วใช่ไหมไอแค่สี่สิบห้าปีมันจะไปนานอะไร พระพุทธเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงพระอนน์ก็ไม่นิมนต์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโศกมีกําลังมารก็เข้าแทรกะนะพระพุทธเจ้าก็รู้อยู่แล้วแต่ที่ที่พระ อ, องค์เปิดโอกาสอย่างนั้ น, นถามว่าเปิดโอกาสเพื่ออะไรเพื่อจะได้ข่มพระอนนท์ในตอนหลังสมมติว่าพระ อ, องค์พอดับปรงมายุสังขารปั๊บพระอนนต้องนิมนต์ให้อยู่ทีนี้ก็พระ อ, องค์ก็ไม่รับอยู่แล้วทีนี้ถ้าไม่รับนะปกตินะถ้าโทษนะมันตกอยู่กับตัวเองนะคนไม่เท่าไหร่หรอก นั่นนะบอกว่าเราเปิดโอกาสให้เธอมาหลายครั้งเลยนะร่วมสิบครั้งเลยนะที่เปิดโอกาสแบบนี้เราพูดมาประมาณสิครั้งแล้วอะแต่เธอจําไม่ได้แล้วความผิดของใครถ้าเธอนีมนเราไว้ตอนนั้นเราก็อยู่ไปแล้วเหมือนกันนะท่านดนก็ฟังนี้เอาตัวเองผิดนีก็ให้อภัยตัวเองไม่ยากอันนี้อันนี้ก็อันนี้คือเหตุผลที่ที่พระองค์เปิดเผยไว้ก่อนเนี่ยนะเห็นไหมโอ้ไม่มีบอกไม่มีใครพิเศษเท่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยนะไม่มีใครเกินกันอีกนะ ไนนี่